วินัยของครอบครัวสังคมที่มีความเจริญมั่งคั่งและมั่นคงจะต้องมีวินัยบ้านเมืองใดครอบครัวใดไม่มีวินัยบ้านเมืองนั้นครอบครัวนั้นเสื่อมวินัยของครอบครัวเคารพเชื่อฟังบูชาพ่อแม่ปู่ย่าตายายวินัยของชาวจีนนี่ดีปู่ย่าตายายตายเขาไปสร้างฮวงซุยเอาไว้ ถึงปีมาเขาพาลูกพาหลานไปกราบไปไหว้อันนี้คือวินยัยคนตายแล้วไปกราบไปไหว้ทําไมไปไหว้ผีเหรอเขาไม่ได้ไหว้ผีเขาไหว้บุญคุนปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเขาแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของลูกหลานในวงสกุลนั้นโตแล้วต่างคนต่างไปต่างไปหาอยู่หากินปีหนึ่งนัดกันมารวมที่จุดนี้ครั้งหนึ่งพี่น้องได้เห็นหน้าเห็นตากัน ก็ไม่ลืมกันมันต้องคิดให้มันซึ้งๆคนไทยเราเนี่ยพ่อแม่ตายแล้วมาก่อเจดีเกะกะวัดวาอารามไปหมดเสร็จแล้วไม่เห็นมีใครมากราบมาไหว้พระคอยนั่งบางสุกุลอยู่ก็ไม่เห็นมีใครมาบางสุกุลสักทีคนจีนเนี่ยถึงรอบปีมาเขาต้องทำของเขานะปีหนึ่งเขาทำสองสามหนวันเชงเมง้งตรุษจีนสงกรานนี่เขาก็ทาของเขา หลวงพ่อถือว่าเป็นลูกหลานในตระกูลสุรพัฒน์เมื่อก่อนถึงปีมาเนี่ยเขาต้องมาเรียกไปเวลานี้คนรุ่นเราคนเท่าคนแก่ตายไปหมดแล้วยังเหลือแต่รุ่นลูกรุ่นหลานก็ไม่ค่อยได้คิดถึง